พุทธภาสวัสดิ์ค่ะท่านฟังที่ FM 106 แห่งนี้ในตอนเช้า ได้ความรู้เรื่องของตัณหาๆสั้นๆๆแล้วโอ้โหมันมีรายละเอียดเยอะแล้วก็ใช่ทั้งนั้นเลยใช่ทั้งนั้นเลยวันนี้ค่ะ สรรหานี้มีทุกข์มากมีโทษมากมีประโยชน์นิดเดียวค่ะท่านสัก 30 วินาที 1 นาทีเราจะเริ่มรู้สึกแสบเริ่มรู้เป็น คุณไม่ต้องเกาคุณสบายดีอยู่แต่ถ้าตรงไหนถูกยุงกัดพวะถูกยุงกัดปึ๊บใช่<ใช> มันก็จะคันมากขึ้นพอคันมากขึ้นต้องทําไงเอาก็เกา ปรากฏแผ่ยิ่งเปิดมากขึ้นเปิดมากขึ้นเชื้อโรคน้ําเหลืองอะไรต่างๆก็ออกมามากขึ้นแมลงวันมามากขึ้นน่ะเท่าโอ้เราจะเป็น เห็นได้ในชีวิตประจําวันนะที่พระเจ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบเนี่ย เอ่อเหมือนกับพอคลอดเสร็จใหม่ๆอยู่ไฟถามดูอยู่สบายมั้ยคนอยู่ไฟอ่ะโอ้มันอึดอัดแต่ต้อง จะถูกแผดเผาอย่างนี้นะตัวเองถูกกามแคะแทะกัดอยู่นะเอ่อเจาะ 1 จะที่พระเจ้าโยม 2, <ใช> 2> <ใช>เปรียบกับ อ่ามีเขียงหมูเขียงนึงนะคนขายหมูเนี่ยโอ้โหมีความชํานาญในการหั่นหมูมากคุณโยมๆอามาไปตลาดใช่มั้ยตลาดสดๆไปเนี่ยนะ โอ้ทำไมเค้าชำนาญขนาดนี้นะแล้วพระเจ้ายกตัวอย่างนี้บอกว่าเอ่อคนขายหมูขอโทษนะคือคือผู้ที่ขาย น้ำลายหยุดติ้งติ้งเห็นเค้าอ่าหันหมูอยู่ค่ะคนขายหมูๆๆๆเพื่อที่หวังว่าตัวเองจะได้อิ่มท้องบ้างค่ะคุณโยมติว่าหมามันจะ นี่คือโทษอย่างที่ 1 นะตัวเองจะเสียใจแล้วก็ไม่ได้คลายหิว นั่นนี่คือกามนะนี่คืออันนี้ว่ากามค่ะเอ่อหรือว่าเปรียบเหมือนกับรูรั่วของรูรั่วของเรือเนี่ยมันมีอยู่ตลอดโดยเฉพาะยิ่ง<ใช> ต้องส่วนที่เป็นหางเสือเรือยื่นลงไปในน้ํามันจะ อ่าเปรียบเหมือนกับผลไม้ด้วยเหมือนกันนั่นหมายความว่ามีต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่ง 2 เดิน เห็นผลไม้เค้าก็อยากได้ผลไม้แต่แต่ว่าเค้าไม่รู้วิธีขึ้นต้นไม้แต่ก็มีขวานอยู่เค้า นะเปรมเหมือนกับผลไม้ที่อยู่บนต้นนี้นั่นเอง คือคืออบาม่าบอยที่พระเจ้ายกเนี่ยก็คือเอามาวางไว้ เงินชั้นเอาของชั้นไปทําอะไรอย่างงี้เค้าจะรีบทวงคืนทันทีค่ะจะ แต่ฝันหายหมดเลยเวลาตื่นมาปุ๊บฝันหายหมดเลยค่ะแล้วมันเป็นค่ะยังมี นะถ้าสมมุติมีนกตัวหนึ่งเอ่อคาบก้อนเนื้อมาคาบก้อนเนื้อมาปึ๊บเอ่อนกตัวอื่นก็จะเข้ามาโฉบนะตัวตัวเองค่ะเวลา ถ้ากินเสร็จอาหารเหลือใช่มั้ยเราก็จะ 1 หรือเหลือๆของเราก้อน 1 เนี่ยนะมันก็จะวิ่งไปหนี นะพ้าตัวเองกินได้แค่คําเดียวคู่หนึ่งแยก แล้วรถคลุมใบเนี่ยเราคิดว่าจะได้แสงจากคบเพลิงหญ้าอันอย่างเราเห็นแม่ค้าเค้าทําอาหารโดยเค้าใช้ถ่าน แต่ไม่มีเปลวไฟไม่มีควันออกมาไฟตรงนั้นเนี่ยเป็นไฟที่ คบเพลิงหญ้าชิ้นอันนี้คือตัวอย่างที่พระเจ้ายกเอาไว้ขาปากมีโทษมากแท้กระดูกนะแล้วก็ค่ะเพราะฉะนั้นเท่า อาจจะฟังดูไพเราะเพราะพริ้งเนี่ยนะคะแต่อ่าน่ากลัวมากเลยโทษๆอุปมาเนี่ยไม่มีล้าสมัยแต่ว่าก็รู้จักแล้วพอ กระดูกที่แล่เก่งเหมือนของที่ยืมเข้ามาใช่มั้ยคะเหมือนอ่าคบเพลิงกันนะคะเสร็จมันวาบ แล้วก็ของในความฝันก็ของในความฝันแล้วก็ผลไม้พวกนี้แหละของในอ่าพรุ่งนี้จะเป็นค่ะบางคนก็อาจจะโอ้โห 4 วันมาเนี้ยชัก มีแต่ตัณหาดิฉันเองก็คล้ายๆกันค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคลาย 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เราว่ากันเป็นซีรีส์ซีรีส์เลยนะคะคือเป็นชุดเกี่ยวกับเอ่อเรื่องธรรมะนั้นๆจริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะดูเหมือนกับว่าเยอะแต่ดิฉันอยากจะกราบเรียนด้วยว่าธรรมะที่เป็นๆคงแค่เร 4 วัน 5 วันนี้ไม่สามารถที่จะเอ่อครอบคลุมได้ รู้ขนาดนี้ก็พอตัวแล้ว 27 ตุลาคมนะคะพบ